จิตที่เงียบเท่านั้นที่จะมองเห็นสัจจะมิใช่จิต ท, ที่มุ่งใช้ความพยายามเพื่อให้เห็นเมื่อคุณสงบเงียบเพื่อเงียบลงจริงๆเท่านั้นที่คุณจะเข้าใจหากว่าคุณสังเกตอย่างใกล้ชิดและฟังอย่างเงียบๆคุณจะได้ยินแต่ว่าคุณเครียดขมแข็งเพราะพยายามและดิ้นรน ที่จะเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมกำลังพูดพลังงานของคุณจะสูญเสียไปกับความตึงเครียดหรือความพยายามดังนั้นคุณจะไม่มีวันผ่านพบสัจจะโดยใช้ความพยายามไม่สำคัญว่าใครเป็นผู้สอนสัจจานั้นไม่ว่าจะเป็นคำพีนักบุญ ความพยายามเป็นอุปสรรคในการทำความเข้าใจมีเพียงจิตที่เงียบเปรียบง่ายนิ่งสนิทจิตที่ไม่ถูกบีบเค้นด้วยแรงพยายามของมันเองจิตเยี่ยงนี้เท่านั้นที่จะเข้าใจและเห็นสัจจะสัจจะไม่ใช่สิ่งไกลตัว ไม่มีหนทางเข้าถึงไม่มีทั้งหนทางของคุณหรือของผมไม่มีวิถีทางแห่งความพักดีศรัทธาไม่มีหนทางของความรู้หรือการปฏิบัติเพราะสัจจะไม่มีหนทางที่จะเข้าถึงในตันทีที่คุณมีหนทางเข้าถึงสัจจะคุณแบ่งแยกมันเพราะหนทางเป็นสิ่งที่ผูกขาด เฉพาะเจาะจงและสิ่งใดก็ตามที่ผูกขาดเฉพาะเจาะจงตั้งแต่เริ่มต้นก็จะต้องจบลงในความแบ่งแยกที่กีดกันสิ่งอื่นๆออกไปบุคคลผู้เดินตามหนทางใดหนทางหนึ่งไม่สามารถรู้แจ้งในสัจจะเพราะเขามีชีวิตอยู่ในความแบ่งแยกที่กีดกั้นสิ่งอื่นๆออกไป วิถีทางของเขาแยกเฉพาะออกไปแต่หนทางก็คือปลายทางหนทางไม่ได้แตกต่างจากปลายทางถ้าหนทางแยกเฉพาะออกไปปลายทางก็ยอมแยกเฉพาะออกไปด้วยดังนั้นไม่มีหนทางสู่สัจจะและสัจจะไม่มีสอง สัจจะไม่ได้เป็นของอดีตรหรือปัจจุบันแต่สัจจะไร้าการเวลาบุคคลผู้หยิบยกเอาสัจจะของพระพุทธเจ้าสังฆาจารหรือพระเยซูมากล่าวอ้างหรือนำสิ่งที่ผมพูดไปอ้างจะไม่อาจค้นพบสัจจะเพราะการพูดตามกันไม่ใช่สัจจะการท่องจำมาอ้างคือการโกหก สัจจะคือภาวะแห่งชีวิตซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจิตที่สแสวงหาเพื่อแบ่งแยกเพื่อผูกขาดที่คิดหมกมุ่นอยู่กับผลลัพธ์หรือการประสบผลสำเร็จได้มาถึงจุดจบโดยจิตเช่นนี้เท่านั้นสัจจะจึงอุบัติขึ้นได้จิตที่มัวแต่พยายามมัวแต่ควบคุมตัวมันเองตามหลักวินัยเพื่อให้บรรลุจุดหมายปลายทาง ไม่สามารถอย่างรู้สัจจะได้เพราะจุดหมายปลายทางนั้นเป็นสิ่งที่มันคิดสร้างขึ้นเองการไล่ไขว้คว้าสิ่งที่จิตคิดสร้างขึ้นแม้ว่ามันจะสูงส่งเพียงใดก็ยังเป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการบูชาตนเองคนที่หลงศักการะบูชาตนเองจึงไม่สามารถเข้าถึงสัจจะได้เราจะรู้สัจจะได้ก็ต่อเมื่อ เราเข้าใจกระบวนการทั้งพวงของจิตเท่านั้นนั่นคือเมื่อไม่มีการต่อสู้สัจจะคือความเป็นจริงและจะสามารถเข้าใจความเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อสรพสิ่งซึ่งขวางกั้นระหว่างจิตและความจริงถูกรื้อถอนความจริงคือความสัมพันธ์ของคุณกับทรัพสมบัติกับภรรยากับเพื่อนมนุษย์กับธรรมชาติและแนวคิด ตราบใดที่คุณไม่เข้าใจความจริงของความสัมพันธ์การสแสวงหาพระเจ้าของคุณก็จะยิ่งเพิ่มความสับสนขึ้นเพราะมันเป็นเพียงสิ่งทดแทนเป็นการหลบหนีจากความจริงฉะนั้นมันยังไม่มีความหมายอะไรเลยตราบใดที่คุณยังกดคมยังหาสิ่งทดแทนและยังทะเยอทะยานคุณไม่อาจเข้าถึงสัจจะ การปฏิเสธความทยานอยากไม่ใช่ปัจจัยที่ทําให้จิตสงบบุคคลผู้สร้างโบสถ์หรือวัดในนามของพระเจ้าด้วยเงินตราที่ได้มาจากการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ขูดรีดหลอกลวงหรือหักหลังจะไม่รู้จักสัจจะแม้เขาจะเป็นคนดีแต่ลิ้นของเขาอาบด้วยรสขมแห่งการเอารัดเอาเปรียบและรสแห่งความทุกโศก บุคคลผู้ไม่เสาะแสวงหาไม่ดิ้นรนต่อสู้หรือพยายามเพื่อให้บรรลุผลบุคคลเยี่ยงนี้เท่านั้นที่จะเข้าถึงสัจจะจิตนี้เองคือผลพวงที่ได้รับมาไม่ว่ามันจะทำอะไรขึ้นมาก็ยังคงเป็นผลแต่บุคคลผู้รู้สึกพอเพียงในสิ่งที่เป็นอยู่จริงจะเข้าถึงสัจจะ ความรู้สึกพอเพียงมิใช่หมายถึงความพึงพอใจในสถานภาพการปกปักรักษาสิ่งเก่าแก่ไว้ดังเดิมนั่นไม่ใช่ความรู้สึกพอเพียงในการอย่างเห็นความจริงอย่างแท้จริงและเป็นอิสระจากมันนั่นคือความรู้สึกพอเพียงซึ่งคือคุณความดีสัจจะใหม่เสมอฉะนั้นจึงไร้าการเวลา สิ่งที่เป็นสัจจะเมื่อวันวานไม่ใช่สัจจะในวันนี้และสิ่งที่เป็นสัจจะของวันนี้ก็ไม่ใช่สัจจะของวันพรุ่งนี้เหมือนการเห็นรอยยิ้มเดิมแต่เป็นการเห็นครั้งใหม่หรือการเห็นบุคคลเดิมแต่เห็นคนนั้นใหม่สัจจะไม่ใช่สิ่งที่ได้มาจากตำรับตำราจากการอุทิศตนหรือการทรมานตน แต่ประจักษ์ถึงมันได้เมื่อจิตเป็นอิสระและสงัดเงียบอิสระภาพและความสงัดเงียบแห่งจิตนั้นอุบัติขึ้นเมื่อเข้าใจความจริงในความสัมพันธ์ทว่าเมื่อจิตเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายที่จิตคิดสร้างขึ้นภาวะแห่งความสงัดเงียบก็อุบัติขึ้นซึ่งในภาวะนั้นปัญหาทั้งหลายจบสิ้นลงจากนั้น ภาวะอันเป็นนิรันดร์ไร้การเวลาก็บังเกิดขึ้นสัจจะไม่ใช่สิ่งสำหรับจดจำหมายรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะนำมาพูดซ้ำซากที่จะนำไปตีพิมพ์และเผยแพร่อย่างกว้างขวางสัจจะคือสิ่งที่เป็นอยู่จริงสิ่งปราศจากชื่อดังนั้นจิตจึงไม่สามารถเข้าหาสัจจะได้